เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตริรนึีมจจถามจากที่ศึกษามานักจิตวิทยาบางคนกล่าวว่าความโกรธเป็นแรงขับดันให้กระทำการอย่างหนึ่ง ทำนองเดียวกับที่ซิกมุลฟรอยเคยกล่าวไว้ว่าการกระทําของมนุษย์ถูกผลักดันด้วยความรู้สึกทางเพศปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความโกรธเป็นเรื่องสามันที่มนุษย์ต้องมีแค่การควบคุมมันเพื่อแปล ร, รูปความโกรธเป็นพลังงานกระทำการเช่นเดียวกับนักมวยจะมุ่งมั่นชกสุดแรงเกิดได้ก็ต่อเมื่อกระเฮี้ยนกระหืดรือที่จะล้มคู่ต่อสู้ หากไม่มีเชื้อของความโกรธเกลียดหรือความอยากเอาชนะใครเป็นทุนก็คงยากที่จะโค่นศัตรูสำเร็จคงใจอ่อนยอมให้อีกฝ่ายไล่ถลุงตัวเองแทนหากความจริงเป็นเช่นนี้จะแปลว่าแนาวคิดเกี่ยวกับการระงับความโกรธไม่เป็นไปได้จริงกับการมีชีวิตในโลกหรือไม่อาชีพบางอย่างต้องใช้โทรศหรืออาศัยความดุดัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาที่มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เป็นหลักและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกมชีวิตซึ่งหลายโอกาสจะเหมือนกับการแข่งกีฬาเราก็อาจมองได้ว่าความโกรธความใจร้อนความอยากได้อะไรอย่างรุนแรงนับว่ามีส่วนสำคัญขาดมันก็เท่ากับขาดพลังขับเคลื่อนไปสู่การได้สิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างที่มากยกกันก็เช่นเด็กยากจนบางรายอาศัยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกหยามน้ำหน้าจึงฮึดสู้ถีบตัวจากสภาพยาจกขึ้นสู่ความเป็นเศรษฐีใหญ่บางรายก็ใหญ่ระดับโลกเช็ดด้วยนั่นก็เป็นตัวอย่างของความโกรธที่มีแรงดันดุดน้ำพุพาขึ้นสูงทำให้ชนะในเกมชีวิตได้ไม่ใช่เรื่องสมมุติกันเล่นถ้าตอบเฉพาะโจทย์ข้อนี้ ก็ต้องบอกว่าใช่ครับความโกรธเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอย่างไรก็ตามทุกสิ่งเหมือนเหรียญที่มีสองด้านถ้าเรามองในแง่ที่มันเป็นคุณมันก็มีคุณอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าเล็งให้เห็นโทษมันก็มีโทษอยู่มากมายคุณคงเคยได้ยินว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเพราะอย่างไรโจรก็เอาไปแค่สมบัติเครื่องใช้ แต่ไฟเอาไปหมดแม้แต่เสาเรือนเรียกว่าไม่เหลือที่ซุบหัวนอนไว้ให้เจ้าของกันเลยแต่คุณว่าไหมไฟไหม้บ้านสิบหนยังไม่เท่าไฟไหม้ตัวหนเดียวเพราะถึงศูนย์บ้านไปถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้เศรษฐีคนหนึ่งอาจมีบ้านให้เผาเป็นสิบหลังโดยเงินในธนาคารยังเหลือให้ปลูกบ้านใหม่อีกร้อยแห่งแต่ตัวตายเนี่ยหมดสิทธ์เลย ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วต่อให้เป็นเจ้าของบ้านร้อยหลังก็ต้องยกทั้งร้อยหลังนั้นให้คนอื่นหมดไม่รู้จะเอาตัวที่ไหนไปอาศัยในบ้านเหล่านั้นอีกแล้วแล้วไฟอะไรเผาตัวได้แบบหมดสิทธิ์หนีไฟชนิดเดียวในโลกที่ยังไม่มีเทคโนโลยีดับเพลิงใดช่วยระ ง, งับได้ก็คือไฟโกรธนั่นไงครับไฟโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้ว ต่อให้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปถึงไหนก็ไม่รอดต้องโดนเผาเกรียมหมดบางครั้งคุณอาจถูกเผาช้าๆให้ตายทรมานกว่าจะสิ้นลมต้องดิ้นพล่านเหมือนหมูในน้ำร้อนแรมปีเช่นอาฆาตพยาบาทใครแล้วหาทางแก้แค้นเอาคืนไม่ได้แต่บางคราวก็อาจตายแบบโป้งเดียวจอดเช่นโกรธเมียก็ยิงเมียแล้วกรอกปากตัวเองตาม ดังที่เห็นข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ต้องสาทะใหญ่มากในขอบเขตที่ใหญ่กว่านั้นไฟโกรธอาจเผาเมืองหรือล้างเผ่าพันธุ์กันได้เช่นที่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าสงครามล้างโคดล้างเผ่าพันธุ์นั้นหลายต่อหลายหนมาจากความโกรธของคนคนเดียวไฟโกรธของมนุษย์จึงได้ชื่อว่ามีลิ์เหนือไฟฟืนและพิษร้ายทั้งปวง เพราะนอกจากมีสิทธิทำลายตัวเองแล้วยังอาจลากผู้คนลงเหวมรณะไปด้วยได้มากมายเกินจะนับและหากนับเอาการทำร้ายตนเองขั้นสูงสุดจริงจริงมันไม่ใช่แค่การฆ่าตัวตายหรอกนะครับแต่เป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์หรือทำร้ายพระพุทธเจ้ากล่าวคือถ้าลงมือสำเร็จก็จะได้ชื่อว่าก่ออนันตริยกรรมเต็มขั้นทันทีอนันตริยกรรมนั้น มีกิจเป็นการปิดกั้นสวรรค์นิพพานต่อให้บุญหนักขนาดไหนก็ช่วยให้รอดจากนรกไม่ไหวอย่างไรต้องลงนรกก่อนขึ้นมาสวยบุญอื่นๆและแม้ชาติต่อจากนรกมีสิทธิ์สวยบุญในภู ม, มนุษย์สุดท้ายก็ต้องสวยเสร็จกรรมเป็นการตายทรมานอาจถูกลูกตัวเองฆ่าอาจถูกโจนฆ่าหรืออาจถูกฆ่าด้วยวิธีประชาทัน แต่อย่างไรก็ค่อนข้างแน่นอนว่าศบจัตุเรศอย่างอนเนตอานาตสมกับที่เคยทำกรรมอันน่าละอายยิ่งยวดฆ่าได้แม้ผู้ทรงคุณใหญ่อย่างพ่อแม่หรือพระอรหันต์ก็ละอนันตริยกรรมนั้นมีสิ่งใดเป็นแรงขับเคลื่อนถ้าไม่ใช่ความโกรธการที่พุทธศาสนาสอนให้ระงับความโกรธนั้นประการแรกจึงเป็นไปเพื่อให้เราออกจากวงจรของการเบียดเบียน หมายถึงไม่ต้องก่อบาปก่อกรรมอันจะส่งให้ได้รับผลเผ็ดแสบประการที่สองเป็นไปเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรทุกข์หมายถึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนอิเนกันอย่างนี้อีกสำหรับจุดประสงค์ประการที่สองของพุทธศาสนานี่แหละที่เป็นคำตอบโดยตรงสำหรับคำถามของคุณนะครับแม้ว่าโทสะอาจเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ชาวพุทธที่แท้ก็จะไม่เห็นค่าของโทสะอยู่ดีเนื่องจากมองอยู่ก่อนแล้วว่าชีวิตหนึ่งหนึ่งเป็นเพียงห่วงโซ่ของทุกข์ต่อให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทุกข์อยู่ดีเพื่อที่จะตัดตนออกจากห่วงโซ่แห่งทุกข์อย่าว่าแต่โทสะอันนาอึดอัดเลยครับที่เราต้องทาลายแม้แต่ราคะ อันชวนรัดรึงก็ต้องทิ้งให้ได้แก่นสารสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นเรื่องพูดลำบากต้องเห็นให้ชัดตามลำดับว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษแล้วจึงยอมรับกันได้ในขั้นท้ายว่าสูงสุดแห่งโทษคือการติดอยู่กับกิเลสสูงสุดแห่งประโยชน์คือการหลุดพ้นจากกิเลสการไปสู่ความหลุดพ้นได้สาเร็จ ไม่ต้องอาศัยโทสะเป็นแรงขับดันแต่อาศัยปัญญาเห็นโทษของโทสะเห็นโทสะเป็นของร้อนของเหม็นเห็นโทสะเป็นของอื่นจากจิตเป็นของนอกจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นขยะการหวงโทสะไว้ในแต่ละครั้งคือความโง่เปล่าการเป็นอิสระจากโทสะตังหากคือความฉลาด กล้า